พระตตรปิฎกเล่มที่สิบสีจุลลาสุ ญ, ญาตัตสูตรพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารธรรมโดยมากคือการทำในใจถึงความว่างสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราศาสตรของมิคารมาตาในบุพาวรามเขตกรุงสาวัตถีตรัสตอบคำถามของพระอานุ์ถึงเรื่องที่ในสมัยก่อนและบัดนี้เรื่องที่ส่งอยู่โดยมากด้วยสุญญาตาวิหารธรรม คือธรรมะเป็นเครื่องอยู่การทำในใจถึงความว่างเปล่าตรัสว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารธรรมโดยมากเปรียบเหมือนปราศาสของมิคาลมาตาหลังนี้วางจากช้างโคมา้าและลาว่างจากทองและเงินว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือภิกษุสงฆ์เท่านั้น แม้ชันใดอิสุก็ชั้นนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจความสำคัญว่าบ้านไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะความสำคัญว่าป่าจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าป่าภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าป่านี้ไม่มีความกระวนกระวาย เพราะอาศัยความสำคัญว่าบ้านไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่ามนุษย์มีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าบ้านรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่ามนุษย์รู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียว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 เป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจความสำคัญว่าป่าใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงลั้นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคที่เขาขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อย เป็นของประสาจารอยย่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจถึงความลุ่มลุ่มดอนดอนแห่งแผ่นดินนี้ซึ่งมีแม่น้ำลำทานเต็มไปด้วยตอน้นามมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าแผ่นดินเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตังมัน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 และน้อมไปในความสำคัญว่าอากาศสานัญจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าอากาศสานัญจายตนะนี้คือพบของผู้เข้าถึงฌานอันกำหนดอากาศหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าป่าไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสาคัญว่าแผ่นดิน มีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาศสารนัญจายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าป่ารู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าแผ่นดินรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าอากาศสารนัญจายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้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 ภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าแผ่นดินไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากาสานจายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะเท่านั้นคือพบของผู้เข้าถึงฌานอันกำหนดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์จิตของเธอจึงแล่นไปเริ่มใสตั้งมั่นและน้อมไปในความสำคัญว่าวิญญาณ น, นจายตนะภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า ในความสําคัญว่าว mm. nee, ิญญาณนัญจายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสําคัญว่าแผ่นดินไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสําคัญว่าอากาศนัญจายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสําคัญว่าวิญญาณนัญจายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสาคัญนิว่างจากความสาคัญว่าแผ่นดินรู้ชัดว่า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 จิตของเธอจึงล่นไปเลื่อมใสตั้งมัน่นและน้อมไปในความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะคือภพของผู้เข้าถึงฌานอันกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากาสานัญจาตนะ ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินัญญายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากาศานัญจายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะรู้ชัดว่า ไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสาคัญว่าอากินจัญญายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในความสาคัญนั้นรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในความสาคัญนั้นว่าสิ่งที่ยังมีอยู่นี้มีอยู่อานนท์การก้าวเข้าสู่สุญญาตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้น อย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะเท่านั้นจิตของเธอจึงลั่นไปเลื่อมใสตั้งมัน่นและน้อมไปในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะ คือพบของผู้เข้าถึงฌานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะ มีอยู่เพียงความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอย่างเดียวรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าวิญญาณัญจายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้น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 ภิกษุไม่ใส่ใจความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะไม่ใส่ใจความสำคัญว่าเนวสัญญาณาสัญญ า, า ญ, ญาตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเท่านั้นจิตของเธอจึงแล่นไปเริ่มใสตั้งมัน่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตมมมมหมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิตในวิปัสสนาที่เรียกว่าไม่มีนิมิต เพราะไม่มีสิ่งที่เที่ยงเป็นนิมิตเป็นตน้นภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในเจโตสมาธินี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยความสำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอยู่เพียงความกระวนกระวายคือความเกิดแห่งอายตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้น เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าอากินจัญญายตนะรู้ชัดว่าความสำคัญนี้ว่างจากความสำคัญว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะรู้ชัดว่าไม่ว่างอยู่อย่างเดียวคือความเกิดแห่งอายตนะหกที่อาศัยกายนี้เท่านั้นเหตุมีชีวิตเป็นปัจจัย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 อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจความสําคัญว่าอากินจัญญายตนะไม่ใส่ใจความสําคัญว่าเนวสัญญาณสัญญายตนะใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเท่านั้นจิตของเธอจึงล่นไปเริ่มใสตั้งมั่นและน้อมไปในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนี้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 ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ภ, fade, ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยกามาสวะในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยพระวาสวะในยานนี้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะอาศัยอวิชชาสวะ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 การก้าวเข้าสู่สุญญาตาตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของภิกษุนั้นเป็นอย่างนี้ในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเข้าถึงสุญญาตาคือพระสมาบัติที่เกิดจากความว่างอันบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสยอดเยี่ยมอยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ก็ได้เข้าถึงสุญญาตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมที่ส่งแสดงมาทั้งหมดแล้วนั้นเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเข้าถึงสุญญตาอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานน์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล จบจุลสุญญาติสูตร